คำดับต่อจากนี้ไปเป็นพระธรรมเทศนามหาจาตย์เวสสันดรจาดกชบพิเศษชุดสร้อยรวมธรรมกัณฑีหกจิวาจุลปนตรวจชำระคัดเลือสมนนใหม่โดยปออินสมชัยชมพูปเปียนธรรมหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหาย <c oughs> นาโม ตัตสาภกวัตโตอราหโตวสัมบาสมุทธัสสเอวังเจตาพุตโตพระมานังโพเจตวะปัฏฐานะสัทธาญายตสัมมาทุโนตุมพันเจวา ปะกามีกาสัตถินจา ต, ตัตวะเมเกธะเปตวาตะขีนาหัทงังโอกีปิตวาวัสนกาสังอาจิกขันโตอาหา <c oughs> ลำดับธรรมมเตสนามาแต่เก้าส่วนพลานนมเนาจือเจตาบุตโูใจกาถือเครื่องค้าเดินไพร กันคือปวจังไรพรมเทาได้กินเขาอาหารมีผ้ากานลายหลากอันตนหากนำมาแลออกก็ดาบอกไม่ใส่นำพิ่งใหม่รสหวานจิ้นกวางฟ้านตาแข้งใส่ทงแทงลายลามยื่นปานพรมปูเทา อันจักไต่ตเตาเตียวไปแล้วเร็วไว้น้ำปูไปตั้งอยู่มักกายกมือขวาสุดศอกเบื่อจักบอกตั้งไปจริงจักไข่เกาทอยเป็นบาดซอยก็ท่าว่าเอสะเซโลมหาพระเมดังนี้เป็นตน <c oughs> ว่าดูราพรามเทาอันว่าเต้าเจ้าตนบุญทารงคุณวิเศษอยู่ในเขตตินดยไก่จอยวอยนักแก่เตวเริงแต้จริงจักหันโดยผาจันทรสูงใหญ่มีเ่อไว้ว่ากันทาหนามาตานากิริลคานาดีปูนพ่อหินผากอกองกันเต้าจอมทันยอดซอย โย่ก้าปลูกน้อยและเมียตอนกลางพ่ายสนพระเตจอยู่ด้วยเปตดราศีถือขอรีเกี่ยวลูกไม่หมวดเก่าไว้เป็นจะดา <c oughs> นุ่งนังเสืออนาหลายที่ใบไม่กี่โรงนอนยกมือวอนใส่เกา่าทุกคำเจ้าปูจ่าไฟและพรำเฮ ดูราพรามไม่ตั้งหลายลามมากล้นมีลูกแต่ตนถึงปลายสูงเหลือลายเปียงเมฆผันหน้าวิเศษหน้านาดังเขาอันจันดาเทียบใดในป่าไหมหิมพานต์ไม่ดรงแานฟงนั่นเป็นลืบจันเดือยลายคือสักเขียนยายตั้งอยู่ทะแบกหมู่หูกว่างตั้งไม่ยางสูงป้นเปลือนนกเล่นเลือนไปมา ซาคอดาเป็นทอยต้นใหญ่น้อยใหญ่ใหญ่ลมปัดไกวกิ่งก้อมเอ็นอ่อนน้อมไปมาดังมานาวาหนุ่มเน่าดูดกินเหล่าเก่าสักเสินนกบินเฮินเป็นโมจับไม่กู้อยู่ผัวเมียร้องเสียงเสียในป่าแล้วบินกว่าตามกันเสียงเนืองนั้นมีกองดังเสียงปัดกองมหาพรหมนั่นแหละนา โอกนาหน้าเาถื่อนทองคือโพระดกร้องเสียงใสถ้าเหาไปเป็นหมู่ร้องทองกู่คันคันป้าใจมันป่นแปงดังเสียงครับติบแห่งเตวดานั้นและนา จุ้มสาขากิ่งไม้ยามสอดไข่สนสารยามลมปานปัดฝาดกิ่งไม้วาดกวัดไควเสียงวนอนไ่ข้าค่อยฟังจินจ้อยป่าเมาดังจักเรียกเอาคนมาใหม่ือเข้าไก่หุ่มจม้มเฮาหายขี้ขมหิวหอดบอกกุดรอดเครื่องกาคนได้มาอยู่เก่าสุขใจเล่าเรือลายเต่าบุญผายตั้งอยู่กับด้วยกูบุตตา และนางพญ า, าเป็นเปืือนในท้องเถื่อนดงรีเป็นระสีทรงเปตดหมวดเก่าเกศเกสีถือขอรีเกี่ยวลูกไม้กันหาใดนำมานนองดังเสือนาหลายที่ใบไม่กี่รองนอนย่อมือวอนใส่เก่าทุกคำเจ้าปู่เจ้าไฟและนา ตาตัวลำรับนั่นไปไปนาพรานใจกาจือเจตตาบุญยังบ่สุดกำเก่าจักไข่ขาว จ, กข า, วจกขานยังสะทานอยู่สร้างแห่งพระเจ้าจังบุญมีจริงไขวตีเก่าทอยเป็นบาดซอยก็ถาว่าอัมปากาพปิตาปนะสาดังนี้เป็นตนว่าดูการาตันพรามไม่นานาน้อยใหญ่อยู่ตีไกอาราม มีลายลามเต็มขวงคือหมากม่วงเต็มแดนตั้งไม่เห็นบาปแปงหมากควิดแสงใหญ่ๆข้าดุนลายพอมพำไม่รังไม่รังลำจุมปูไม่สหมอดูงามอาจคำปำยาดใหญ่ๆมากต้นไผ่ลูกมากมีลายหลากถมทองมากกับตองเหลืองจะโจย์มากนีโคดใหญ่ต่าง ตั้งหมากสร้างหมากเดือลนทุกเมือ่อหลวงลายกล้วยงาจ้างใหญ่ล้ำใหญ่กล้วยข้าวไข่เจือกันตั้งกล้วยจันกล้วยตีบลูกบบลีบงามดีเตียนย่อมมีในป่าดูต่างล่าเอากินตั้งเพิงดินเพิงไม้หาแม่บอ่อใดยังร่วงอยู่ในกวงและขาไม่ดูต่างใส่เอากินและความเฮง หมากม่วงมีหลายซำลูกหอยต่ำเปียงดินลางพ่องกินคบหอยล่างพ่องป้อยสุกรามสีเขียวงามสะพังพอเป็นดังลังเขียดเคียวคนได้เตี้ยวไปไกยุบเอาใด้ด้วยง่ายบ่ได้ไก้เกินเอาหวานบ่เบาจืนจ้อยหนึ่งกว่าอ้อยสูนตานแดนสะทานยานกว้างตีพระเจ้าจ้างบวชเป็นจี อาสาจันมีหลายแหลไขจูงแงดงไพเสียงเร่ร่มีกองสัตว์สิ่งร้องจอมกันพากดหันตุกเตะแดนดาวเขตอาราม <c oughs> พอดูงามดังที่อยู่แห่งเตปประทไทยมูเตวดาไม่นานามีจุดาวคือมักเป้าลูกเป็นเครือแดนดินเจือปุ่มเป็นป่าหอมรสลาเอาใจ ลมปัดไกวปูนพ่อเป็นดังจอผิวลมมีทองถมหมูไม่หยาดใหญ่ไว้ดูดีโกดสอมีเป็นท้อยตั้งหมวกน้อยเปลือตะกันแก่ฝ่ายบานตุกขอกพงเป็นดอกดวง่านมากนาวการม่วงมื่นกิ่งกันยืนถึงกันต้องละต้องลางพันลมแลงใบ่อแห้งจดเชือ ไม่มาเกืือบอต่ำกรรมยานทมเกตสนาอันจันดารดาษไม่จวงอาจดู ง, งามกลุ่มบกหลามเป็นห ม, มู่กลุ่มน้ำโยเป็นสายไม่ไข่าลายเลือแลทะแบกแพถึงกันไม่รังหันเป็นดอกพับทุกขอกสัทธานโตกเกืยจจานแต่เก้าดังตั้นปุกเขากองเฟืองนั้นและดาพรหมเฮย อันว่าโบคาระนี้หลวงใหญ่กว้างที่จิมขางอารามตาเพียงงามระรื่นปูนสนุกจื่นใจคนดอกบัวสนกันอยู่อุบนกูสนสารดังวิญญาณฝากฟ้าในแหลงลาต่าวติ่งสาไม่นานานาโน้ยใหญ่แดนตีไกอาราม ดอกบานงามหอมหืนรถฟุ้งตื่นหอมไก่เท้าเบาเสียงใสใสดอกใสแล้วออกตามกันเสียงเรื่องนั้นมีกองที่ไก่หองอารามเกศสอนงามบ่น้อยหอมจีนจ้อยเอาใจโบคารานิใสงามแง่ดอกบัวแพเป็นกอน้มเจยตอดอกไม้ หอมจากใจถึงเนื้อหอมจดเชื่อวันตกวันออกรอดสะรอกแดนไก่อาสะรมได้ตั้นอยู่ดอกไม้กูเรียงย้ายละอ้องไผ่ฟุ้งออกตามคางคก อ, อ, อารามโบการะดีงามตากว้างอยู่จิมคางอาสะรมคาจับจมอยู่ไตลูกน้อยใหญ่แก้มกันเข้าสาดีอันไผ่บ่อปลูกหากเป็นลูกเหลือตา จุ่มป่าฝาและเต่าลอยเล่นเหล่าผันภายปูด้าไหลาเนียงเดียวเล่นสอดเซียวหวังทานรสาซาวาันไหออกพับตุกขอกเงาบัวหวานมันหนัวจีนจ้อยดังน้ำอ้อยใสสูงงาดอกนาหนาหอมหื่นแม่เพ่งจืนบินตอมสูตรต้ดมดอมดอกไม้เข้าสอดใสไก่ซน ได้แล้วจอนบินสู่ยังที่อยู่รังมันนกดงตันหลายแลพ่องบินแผ่ไปมาพ่องจับสาขากิงไม่ที้จิมไกจอมกันร้องเสียงนั้นมีกองที่ไก่หองอารามดูราพรามนกตั้งลายสี่หมู่เขาร้องอยู่ตั้งวันหมู่หนึ่งร้องว่าพระจอมทันเป็นเจา้า อย่ามนเศร้ามองขีจุงยินดีอยู่ในป่าหมู่หนึ่งร้องว่าพระเจ้าฟ้าจุงเจิดบานกับสองกุมารลูกเต่าและนางหนอเนเอาแปลงเมืองหมู่หนึ่งร้องว่าพระบุญเรืองยอดซอยจุงจินจ้อยตีข่ากับสองบุตรตานโอยนาดกับนางแกวราจามัททีหมู่หนึ่งร้องว่ายาเครื่องขีสกเศร้า พอแม่ลูกเตาเสียพระองค์อยู่ในดงป่ากวางอดเริงสร้างตังบุญแดเตอดูราพระมาสรงงามตุกขอกมีดวงดอกบานเรืองลางพ่องเรืองจะจอนพ่องแดงอ่อนงามตากันนิกามีจุแห่งดังจอน้อยแกว่งไปมา มีนาณาลายลากินรถหกักพับดงและนายธาเบียสันตรุราชาอันว่าพันยาเบียสันตระตนผ่านแพลอยู่กับลูลแกวสองสริและราชามัธทีอาข้าวอยู่ด่านดาวแด่นใดดูเพิ่อใจใจจ้าดังเบืองฟ้าคงสวรรค์พระจอมทันเจ้าจาง ปั๊มเป็งสร้างป่าระมีเป็นระสีป่าไม่หมวดเก่าไว้เป็นจ้าดานุ่งนั่งเสื้อนาหลายที่ใบไม่กี่รองนอนโยมือวอนใส่เก่าทุกคำเจ้าปู่จะไฟและนาพรมเฮย เอวังเจตาพุตโตอันว่าพลานเจตาบุตรหนุ่มเนาใครบอกเล่ากำงามฮือปูพรามแจ้งทีใดหูตีตั้งไปพร้อมมิใจจื่จ้อยจริงเกาทอยก็ทาว่าอีตันจะเมศตูพัดตั้งดังนี้เป็นตนว่าดูราพัานหนุ่มเนา ตานเาตีวไต่เต้าเดินดงอันว่าเขาสัตูผงและกรออันนางน้อยอ่อนอาพินตาตาหากด้างดาแต่งไว้ใส่ทงใหญ่ปามาลุงนีนาใจจืนจากยกยืนปันลานเป็นปันนาการเสียงไข่บ่อ่อไว้อันใดพรานดงไพรตัางต่อออกปากล่อกำงาม ว่าดูราพรำปูเทาอันว่าถงห่อเข้าเตียวตังอันมึงจักวางยกยืนด้วยใจจืนปันกูกูบ่อจูรับได้กูอยู่ป่าไม้ดงดานมีอาหารหลายแหล่บ่อเวินแว่อันใดมึงจุงเอาไปอย่าจะกินไปนาตามใจตังดงใครป่าไม้โป่ไตใดคนเดียว จุงดันดงเขียวไปสู่ยังที่อยู่ราสีต้นมีวัดดีบ่อเศร้าอันมีจอว่าเจ้าอาตุตาราศีในดงดีปากว้างที่จิมคางมักกาตันตนนันนาวิเศษหมวดเก้าเกตแกมทุลีเขียวข่าวดีสะอาดใบไม่หลาดรองนอนย่อมือวอนใส่เก้า ตัวคำเจ้าปู่จะไฟกันมึงไปรอถแล้วถามพระดอกแก้วราศีตันยินดีจักบอกคือมึงออกเตียวไปจักแลนาเตนาวดตังเหตุดังอันกท็ทาปันทานจื่นจ้อยพระยอดซอยเตสนาวาอิตั้งวัดว่าพระมนาปันทุงดังนี้เป็นตน้น เอคาเวดุราภิโคตั้งหลายอันเป็นสายอริยญาจสินสะอาดดูงามส่วนจูจะกะพรมเท่าแก่สืบมาแต่วงสาแห่งพระมานาแต่เก่าฟังพรานหนุ่มนาไข่ปันมีใจมันจมจื่นปีติตื่นใจบ้านก่อประทักสินพรานหนุ่มนาคบไข่เหล่าสามตี แล้วก็หนีจากหันเตียวสอดดันดงรีอันว่าเจ้าอาจุตาระสี่ตนวิเศษอยู่ดาวเขตแดนใดมันก็ไปจะใจในป่าไม่หิมมาปานก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานี้และนั จุลาวานวันนานิธิตาขียาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุจุละปนันดัดพดาโดยกาถาว่าไดสามสิบห้ากาถากอบังคมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล